นนธรรมน้อมนำสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันทาศรัทธาบัน นั้นแบ่งบ้านงามตาจากวันนี้ไปได้นำความรู้สู่ยังท้องถิ่นบ้านเราพัฒนา mm hmm. นําพาด้วยคุณธรรมนอบนำสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันทา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 เรื่องราวที่น่าสนใจมาพูดมาคุยกันความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการที่ตรวจพบชายนักท่องเที่ยวชายอเมริกันชาวอเมริกันที่ติดเชื้อโควิด1 9โอไมครอนนะครับนะรายแรกของไทยเรานะครับที่บอกว่านักท่องเที่ยววัย5ปีเดินทางมาจากสเปนตรวจพบนะครับนะซึ่งตรงนี้นี่ก็ มีการกักตัวและรักษาแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยก็บอกว่ามีคนที่เสี่ยงสัมผัสกับนักท่องเที่ยวรายนี้นะจากการเปิดเผยของนายแพทย์จักรรัฐพิทยาวงอานนท์เนี่ยกับผอกองระบาดวิทยาก็บอกว่าตรงนี้นี่ก็ต้องดูผู้สัมผัสใกล้ชิดมีอยู่19คนนะครับนะแล้วก็มีการตรวจพบ นะเชื้อเนี่ยส่วนใหญ่นี่เป็นลบนะครับนะเป็นลบนะแล้วก็จำนวนสิบสี่สิบหกคนแล้วกักตัวอยู่นะครับซึ่งการตรวจนี่ต้องตรวจด้วยวิธี rt pcr เท่านั้นนะครับนะถึงจะตรวจเจอนะแล้วก็เพราะฉะนั้นีนตรงนี้เนี่ยอีกคนหนึ่งเป็นชายไทยอาชีพพนักงานเสิร์ฟนะก็บอกว่าตอนนี้นี่ก็ยังไม่ไม่พบเชือ้อนะก็ก็เบาใจแล้วครับเบาใจนะักท่องเที่ยว แต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่นี่ต้องเฝ้าเฝ้าเฝ้าระวังหน่อยนะครับเนฝะ้าระวังเพราะว่าเป็นเชื้อที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงคือหลบหลีกวัคซีนได้ได้เป็นอย่างดีเขาว่าอย่างนั้นนะครับนะก็เดียเฉพาะแม้แต่ไฟเซอร์นี่ก็หลบหลีกได้นะโอเมกคอนเพราะฉะนั้นนี่ก็หลายประเทศนี่กังวลอยู่นะอย่างหลายประเทศนี่ปิดนะมีการปิดประเทศไปทั้งญี่ปุ่นเนี่ยนะอย่างญี่ปุ่น สิงคโปร์เข้มงวดเหมือนกันอิสราเอลหลายๆประเทศนะครับน่ค่อนข้างจะเข้มงวดเราก็คงจะต้องดูนะครับนะเ <_ S 1> พราะฉะนั้นในตรงนี้นี่คงคงคงดูแะครับแต่ว่าว่าจะต้องเฝ้าระวังนะอย่างโอโอไมคอรนนี่เป็นเชื้อใหม่ท่านที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยจะต้องไปฉีดนะครับเข็มสองเข็มสามอะไรทำนองนี้นะจะต้องะระวังไว้ก็จะจะจ ะ, จะเป็นสิ่งที่ที่ดีนะครับ การเปิดเผยของโคสกสบคในวันที่8ธันวาคมแพทย์หญิงสุมาณีวัชรศิลป์ก็บอกนะบอกว่าตอนนี้ในสถานการณ์ของไทยแม้ว่าจะพบผู้ติดโอเมคอนหนึ่งลายแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเชื้อก็ยังเป็นเดลตานะวันที่8ธันวาคมนี้ก็ติดเชื้อใหม่ประมาณ 3,618 ลายเสียชีวิตก็38ลายก็ตัวเลขดีก็ลดลงนะครับนะก็ตรงนี้เนี่ยก็คง เป็นนิมิตใหม่ที่ดีอาจจะมีการผ่อนคลายมาตรการก่อนปีใหม่ก็ได้นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีชาวบ้านจะได้กลับมาค้าขายกั น, นตอนนี้นี่ก็บอกว่าผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปีสองพกสิบสามเนี่ยประมาณสอง0ื่นกว่าคนแล้วนะ 21, ครับสอง0มืนหนึ่งพันคนและเรามียอดฉีดวัคซีนสะสมนะครับมาตั้งแต่วันที่ยี่สิบแปดกุมภาพันธ์เนี่ยตอนนี้เก้าสิบห้าล้านโ ด, ดนะเก้าสิบห้าล้านแปดแสนโดสแล้วนะก็ถือว่า สูงพอสมควรล่ะครับนะสูงนะก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับนะเพราะฉะนั้นในตรงนี้นี่คงจะต้องดูและคัสเตอร์ที่ค้นพบ เ, เกี่ยวกับเรื่องของโควิด -19 นะซึ่งเป็นเดลตานี่ก็ยังเจออยู่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงงานสถานประกอบการาที่กรุงเทพลำพูนสิงห์บุรีชนบุรีนะครับส่วนคัสเตอร์ตลาดก็พบที่พิษนโุโกขอนแกน เชียงใหม่ยะลาตากลำพูนแล้วก็มีคัสเตอร์แคมป์คนงานพบที่กรุงเทพปราจีนบุรีสมุทรปราการนะครับคัสเตอร์โรงเรียนพบที่ประจวบคิรีขันสมุทรปราการอุบลส่วนคัสเตอร์ค่ายทหารก็พบที่ปัตตานีร้านอาหารคัสเตอร์ร้านอาหารพบที่อุบล น, นะครับนะและสุราษฎร์ธานีเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่คงจะต้องเฝ้าระวังบรรดาคัสเตอร์ต่างๆ เหล่านี้นะครับนะเพราะฉะนั้นนี้คงจะต้องระมัดระวังกันละครับนะว่าจะทำอย่างไรและแพทย์หญิงสุมาณีก็บอกว่าจากการตรวจสอบผลการฉีดที่ผ่านมานี่ผู้ที่รับการฉีดวัคซีนตอนนี้นี่ก็มีจำนวนเกือบครอบคลุมแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้ น, นตรงนี้นี่ก็ได้มีการไปพยายามที่จะไปไปดูนะส่วนใหญ่คนที่จะไม่ฉีดก็คิดว่าตัวเองไม่เสี่ยง ที่จะเป็นโรคนะแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้ า, ามีโรคใหม่เข้ามานะครับโอมคอนเข้ามานี่ก็เสี่ยงนะก็อยากจะให้แต่ละคนนี้ได้ไปฉีดนะวัคซีนนะครับซึ่งตรงนี้นี่ก็มีวัคซีนที่เพียงพอแล้วนะครับนะนะทงในส่วนของอเชือ้อวัคซีนเชื้อตายหรือว่ามีไอออะไรต่างๆนี่ก็สามารถที่จะเลือกได้ นะในห ล, หลายจังหวัดนี่ walk in กันเลยนะเพราะในตรงนี้นี่คงนะจะต้องดูตรงนี้นะครับเล่งฉีดกันก็จะเป็นสิ่งที่ดีรับฟังเพลงสักเพลงก่อนที่จะมาพูดมาคุยกันต่อครับ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 ทุกปันวอนพ่อให้ช่วยบาปที่ใครทำเจ็บที่เคยโดนให้พ้นความสศยพานักที่ยังลมโปวยพอย่อรวยโปรดช่วยชี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 ปากใจโซโซให้วัดตะโกแผ่บุญบันดาลสิ่งที่เคยติดแค่คิดให้ผ่านถูกฝันวอนพ่อให้ช่วยบาปที่ใครทําเจ็บที่เคยโดนให้พ้นความสศกฐานะที่ยังล้มป่วยพอรวยโปรดช่วย ครับมาพูดมาคุยกันต่อนะครับนะในช่วงนี้นี่ก็อย่างอย่างที่ บอกมีเกี่ยวกับเรื่องของการเรียกร้องของในส่วนของชาวบ้านจากอำเภอจนะที่สงขาเกี่ยวกับเรื่องการสร้างโครงการสร้างนิคมอุตสาหกรรมที่ทจะนะมีกลุ่มทั้งคัดค้านและก็เห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะครับซึ่งมีการมาชุมนุมแล้วก็มีการสลายการชุมนุมกันไปนะแถวหน้าทาเนียบเนี่ยนะครับซึ่งตรง น, นี้จากการเปิดเผยของ นายวิษณนุเครืองามรองนันกเรีเมื่อวันที่แปดธันวาก็ให้สัมภาษณนะ์กรณีกลุ่มคัดค้านโครงการนิคมอุตสาหกรรมชนะนะก็มีการได้ดูแล้วนะครับบอกว่าจริงๆแล้วก็าการทำ emu นี่ก็ไม่ได้มีผลผูกพันกับรัฐบาลนานะวิษณนุก็บอกอย่างงั้นนะก็ต้องจะต้องมีการนำเข้าข้อรอมอก่อนถึงจะมีผลนะผูกพันในระดับหนึ่งนะเพราะฉะนั้ น, นตรงนี้ในการ ทำ M O U บันทึกความเข้าใจเนี่ยยังไม่ใช่สัญญานะเป็นเป็นความผูกพันนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่คงคงจะต้องนะดูรายละเอียดทางด้านกฎหมายนะครับเพราะว่าในส่วนของชาวบ้านก็บอกว่าร้อยเอกรรมนัดพมเผาอดีตรัฐมนตรีช่วยกรนะทรวงเกษตรก็บอกว่าได้ทำ M O U กับชาวบ้านแล้วนะครับนะว่าจะชะลอโครงการก็ก็ ก็ต้องดูนะครับในส่วนนี้นะครับว่าจะจะจะยังไรกันนะครับนะคงจะต้องดูนะครับนะข้อมูลจากหลายๆส่วนนะครับจากหลายๆส่วนนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันกันบ้างนะครับนะซึ่งตรงนี้นีคงจะต้องมีข้อมูลนะครับนะจากทุกภาคส่วนนะครับในการพูดคุยกันมีการพิจารณากันในสภาก็มีสสหลายคนอภิปรายนะครับนะ ทั้งในส่วนของกรณีการสลายการชุมนุมนี่ก็ไม่เห็นด้วยนะละเมิดสิทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยตรงนี้นี่ก็คงจะต้องอมีการยื่นให้กรรมธิการที่เกี่ยวข้องเนี่ยเชิญเจ้าหน้าที่มาชี้แจงนะครับนะเพราะใ น, นตรงนี้นี่ก็มีเกี่ยวกับเรื่องของชนะ น, นี่ก็มีจะมีโครงการที่จะทำนิคมอุตสาหกรรมก็คงจะต้องมีการทำนิคมเหมือนกับในส่วนของ แถวละยองเอีซีภาคตะวันออกแต่ว่านี่จะเป็นภาคใต้ได้๋ยวครับนะซึ่งตรงนั้นนี่ก็มองว่าจะมีบทบอการบอกว่าจะมีการจ้างแรงงานจนํานวนมากมีโรงงานอุตสาหกรรมแต่ว่าในส่วนของชาวบ้านในพื้นที่ก็กลัวกระทบเกี่ยวกับเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวแหล่งประมงการหาปลาการใช้ชีวิตของชาวบ้านเพราะันคงจะต้องจจะต้องมีการตั้ง คณะกรรมาการขึ้นมานะดูแลแล้วก็มีการศึกษาผลกระทบนะจากสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่างๆนี่กันขึ้นมาเพราะตรงนี้คงจะต้องอติดตามดูกันต่อไปคงมีกระบวนการแล้วครับแล้วก็ในส่วนของอสภ า, านี่ก็ได้เข้ามาช่วยนะก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะสภ า, านี่มีกรรมธิการมาศึกษาเชิญนักวิชาการนะ ngo ในส่วนของภาคประชาสังคมเข้ามาก็จะน่าจะเป็นสิ่งที่ดี นะครับมีบทบาทในการพูดการคุยกันมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวนยในช่วงปลายปีนี้ตอนนี้ก็เริ่มฟื้นตัวจากการเปิดเผยของนายยุทธศักดิก์สุปสอนผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทททก็บอกว่าสถานการณ์ท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาวในช่วงวันรัฐธรรมนูญ1ิ1 2สิสองธันวาคมนี้ก็จะน่าจะมีการ ใช้ใจ่ายเงินมากทำให้การฟื้นตัวนี่มากขึ้นอาจจะสะพัดประมาณ 5.7 พันล้านเพราะว่าอย่างนั้นนะครับเพว่าการท่องเที่ยวนะแม้ว่าจะมีการมีข่าวเกี่ยวกับการค้นพบโควิดสายพันธุ์ใหม่โอมครอนแต่ว่าก็ไม่ส่งผลกระทบเพราะว่าเป็นจำนวน น, น้อยแหละครับนะแล้วก็คิดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางภายในประเทศเนี่ยประมาณ 1.8 ล้านแสนคน นะครับนะแล้วก็มีการใช้จ่ายหมุนเวียนประมาณ5700ดร้อล้าน mm hmm. เขาว่าอย่างนั้นอัตราการเข้าพักเฉลี่ยก็40เอร์ซนะก็ก็จะทําให้ทางโรงแรมสถานที่ท่องเที่ยวก็มี ม, มีรายได้นะครับนะการเพิ่มขึ้นนะจากที่ค่อนข้างที่จะซบเซากันมานะทั้งปีแล้วก็ก็น่าจะช่วงวันหยุดนี่ก็จะทําให้มีนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปโดยเฉพาะแถวภาคเหนือภาคอีสานซึ่งมีอากาศหนาวเย็นลนะครับนะ มีอากาศหนาวเย็นก็จะไปพักตามภูเขาตามอะไรต่างๆซึ่งเราก็จะเห็นภาพตามสื่อต่างๆนะครับนักท่องเที่ยวนี่ไปพักผ่อนกันตามสถานที่ต่างๆกันกันแล้วนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีได้รับอ น, นิสง์จากโตัวมิชั่นต่างๆของของรัฐ ด, ด้วยนะครับโครงการต่างๆเพราะฉะนั้นนี่ก็จะทําให้มีการท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้นและเราก็ต้องหวังว่าจากต่างประเทศนี่นักท่องเที่ยวจะเข้ามา ท่องเที่ยวมาใช้ใจ่ายเงินนี่ก็จ ะ, ะทําให้เศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดท่องเที่ยวหลักนี่ฟื้นตัวนะครับแถวภูเก็ตบ้างแ ถ, ว พ, ถวพัทยาแถวภาคตะวันออกแถวสงขลาชนบุรีและแถวเชียงใหม่นะครับนะจังหวัดที่มีแหลงท่องเที่ยวนะครับนะเพราะฉะนั้นในตรงนี้นี่ก็หวังว่าในช่วงปลายปีนี่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวแต่ก็อยากจะให้มาส่งเสริม การท่องเที่ยวชุมชนนะให้แต่ละชุมชนเนี่ยนะครับนะก็จัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมก็ได้นะครับที่ให้ชาวบ้านมาขายผลผลิตในชุมชนให้นักท่องเที่ยวในส่งเสริมให้มาเที่ยวตามชุมชนท้องถิ่นต่างๆนะในว่าจะเป็นภาคกลางภาคเหนืออีสานภาคใต้นะนะถ้าให้ชุมชนจัดการท่องเที่ยวมีโฮมสเตย์ให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวก็จะเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของชุมชนได้เหมือนกัน นะครับซึ่งตรงนี้ก็มีหลายๆโครงการนี้ในส่วนของมหาลัยรัฐศาสตรต่างๆเนี่ยเข้าไปส่งเสริมยูทูบธีนีให้นักศึกษาให้บัณฑิตเข้าไปกระตุ้นให้ชาวบ้านจัดทําผลิตภัณฑ์ชุมชนมาจําหน่ายบ้างนะส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวชุมชนก็เ ป, นเป็นเป็นแนวคิดที่ดีมากนะครับในการส่งเสริมฟื้นฟูกเกรษฐกิจฐานล่าของชุมชนสําหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการของเรามาถึงช่วงไทยของรายการแล้วชีวิตจะสั้นพ่อควันบุหรี่เรามา ร่วมมือกันลดละเลิกสู่ปุหรี่ครับสำหรับวันนี้ผมนิรันดร์กุลนธานานต้องขอลาท่านไมก่อนแล้วพบกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ ไรอ้อยคงเหลือแต่สากลอเจ้าไม่หันมาลพี่จะแง่หนาวแทนวนปลาลมนาวเอ้ยข้าเคยกอดนากลับางวังลมพาพักนางส ไรอ้อยแห้งเช้าเพราะเจ้าไม่อยู่